เหมือนกับที่พระองค์ทรงสแสดงเรื่องของปัญญาสามประเภทใช่ไหมครับปัญญาแบบมอความอย่างหนึ่งปัญญาแบบหน้าตักอย่างหนึ่งแล้วก็ปัญญาแบบปัญญาม้านะครับอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ปัญญาแบบมอความเนี่ยก็คือขณะที่ฟังก็ไม่ได้รู้เหตุไม่รู้ผลไม่เข้าใจไม่พิจารณาตามเมื่อลุกไปแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยแต่สําหรับคนที่ปัญญาแบบหน้าตักเขาอุปมาเหมือนกับคนที่ นั่งรับประทานผลไม้อยู่มีผลไม้เต็มตักหมดเลยเวลาที่ลุกผลไม้เหล่านั้นก็กลิ้งตกไปหมดอันนี้เราพิจารณาได้นะครับว่าบางคนเวลาที่ฟังเนี่ยพยักหน้านะครับเข้าใจเข้าใจแต่ว่าพอลุกไปแล้วเนี่ยครับเหลืออะไรอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เหลืออยู่แล้วจะบอกว่ามีปัญญาปัญญาตรงนั้นอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นให้รู้นะครับว่า ไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจขณะที่ฟังเท่านั้นแต่ว่ายังจะต้องเข้าใจจนกระทั่งกลับไปบ้านอีกสองวันสาวันก็ไม่เลือนนะครับสามารถที่จะรู้สามารถที่จะแสดงเหตุผลเหล่านั้นได้อันนี้ถึงเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นส่วนของความจำเนี่ยควรจะต้องจำและการที่จะจำได้บางคนก็อาจจะเบื่อในการที่จะท่องนะครับเราก็ไม่ชอบที่จะท่องแต่ว่าไม่ต้องท่องก็ได้เพียงแต่ว่าพยายามที่จะใส่ใจพยายามที่จะนึก พยายามที่จะสนใจหรือว่าสนทนาในเรื่องนั้นบ่อยๆก็ทาให้จาด้วยความเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องของการกล่าวบิดเบือนด้วยนะครับถ้าบอกว่าไม่ต้องจำเนี่ยเพราะว่าพระบุดธเจ้าให้ทรงจำแล้วก็สันเสริญความทรงจำด้วยท่านพระ อ, อนน์นะครับก็เป็นผู้ที่เลิศทางด้านจาด้วยใช่ครับคนที่มีสติจะทำให้ ระลึกในสิ่งที่ทําแล้วก็คำที่พูดไว้นานได้ก็เหมือนกับจํานั่นเองเพราะฉะนั้นสัญญากับสติเนี่ยใกล้เคียงกันมากสัญญาเป็นเหตุใกล้ของสติอย่า ก, กลัวในเรื่องที่จะจําเลยครับเราจําเรื่องอื่นได้มากมายเยอะแยะถ้าจะจําในสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ให้เป็นสมบัติประทานเป็นสมบัติมาให้กับพวกเรานะครับถ้าเราบอกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าเรารักพระพุทธเจ้าเรามีความถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนคําสอนต่างๆมาแล้วเราไม่ได้สนใจไม่สนใจในการที่จะนําความรู้หรือว่านําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจเนี่ยจะชื่อว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆอย่างจังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะรังเกียจความจํานะครับแล้วก็ ถ้าเราสะสมอัธยาศัยในการที่จะจำในปัจจุบันนี้ด้วยความเข้าใจถูกต้องนะครับอัธยาศัยนี้ก็จะสืบต่อไปในอนาคตถ้าเราตดเตียนหรือว่ากล่าวคัดค้านในความจำอนาคตเราก็จะไม่เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องที่จะจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเสียหายมากถ้าหากว่าท่านไปคัดค้านไม่จาเป็นต้องฉักนะเสียหายมากเลยนะ เพราะนั้นถ้ายังไม่น่าก็อย่าพูดไปตีเตียนเลยแล้วถ้าไม่จำก็ไม่จำเฉยๆนะนนมีพระเถระรูปหนึ่งนะคบที่ท่านเป็นผู้ที่พอดีพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งไว้นะคะถ้าแต่งตั้งก็อาจจะเป็นผู้ที่เลิศทางด้านที่ไม่ทรงจำ <c oughs> <laughs> เพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลยสามเดือนนะคะพี่ชายบอกให้จำจาไม่ได้เลยนะคะ <laughs> เพราะว่าในอดีตเคยติเตียนเข้ามานะครับ อดีตเคยว่าเคยดูหมิ่นสําหรับคนที่จําไม่ได้นะครับแล้วก็ดูหมิ่นล้อเรียนจยกรทั่ทงก็เป็นเครื่องกั้นทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะจำธรรมะได้แม้กระทั่งสะสมบารมีมาพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าติเตียนเลยในเรื่องของความจําหรือว่าอย่าดูหมิ่นนะครับในเรื่องของการที่จะทรงจํานะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องกั้นของตัวเอง งั้นก็ต้องขออภัยคุณนายผมด้วยนะผมไปดูตูกดูหมินท่านในเรื่องจำแล้วกันน ะ, ะท่านผู้ใดจะมีอะไรถามไหมครับนะพรุ่งนี้กลับแล้วครับนะแต่วันหลังจะมาใหม่ครับจะพาลูกศิษย์ท่านมาด้วยวันหลังนะมาตนธนาทำนะห้าร้อยที่นี่ห้าร้อยอีกห้ารอยมันมันลุกพร้อมกันเลยนะ ก็ในฐานะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับได้ยินพระอาจารย์รุ่นรุ่นลูกผมนั่นนะแต่เป็นอาจารย์ผมเนี่ยนะท่านได้มีความรู้ทางธรรมะปราดเปลืออ่องถูกต้องอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้เฒ่ารสึกสบายใจว่าจะมีลูกหลานได้รับมรดกตกทอดไปด้วยดีรักษาไว้รักษามรดกไว้ต่อไปได้นี่ก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งของผู้เฒ่า นะอ อ, อต่อไปก็อยากจะเรียนถามท่านอีกนิดนึงว่า <c oughs> ที่ท่านสนใจในฐานะที่จำเป็นต้องจําเป็นต้องเป็นครูบาอาจารย์สอนในเรื่องการเจริญสี่ปัฏฐานเนี่ยแล้วท่านก็ไปคน้นคะว้ามาสี่ปัฏฐานสูตรมาเนี่ยนะครับอทั้งสี่ปัฏฐานเนี่ยทั้งสี่อทั้งสี่ทั้งสี่อะอะไรอ่ะ ทั้งสี่อนุปัสนานะครับอท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับว่าแต่ก่อนนี้กับกับเดี๋ยวนี้เนี่ยต่างกันยังไงครับเพราะว่าผมเองผมก็เป็นลูกจิตในรุ่นก่อนๆท่านมาเหมือนกันฮนระดูที่ว่าตรงกันไหมครับที่ท่านเห็นฮะท่านเห็นว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับเพราะผมก็อยู่ในสํานักผมกรรมานานก่อนท่านนานหลายปีแล้วเป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับรุ่นแรกแรกเลยนะ แล้วผมก็สงสัยตรงนี้มานานแล้วสงสัยมานานแล้วว่าเนี่ย น, นะในมหาสิบฐานสูนรนี่นะว่าออทาไมทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้ ว, ลวท่านมาค้นควา้ามาพบเมื่อไหร่ครับออแต่ก่อนนี้นะครับก็ศึกษายังไม่ละเอียดอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องความบกพร่องอะนะครับเป็นเรื่องความบกพร่องของตัวเราเองแล้วก็ปัญญาของเราก็ยังไม่ได้เจริญเพียงพอแต่ว่าภายหลังเนี่ย ประมาณ เ, าเกือบสองปีมานะะี่ครับก็มีการ เ, าเรียนร่วมกันในเรื่องของสติปัฏฐานก็อ่านทุกพยัญชนะเลยแล้วก็จะต้องไปค้นในที่อื่นคือท่านอ้างที่ไหนก็ไปเอาที่นั้นมาอ่านด้วยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออสติปัฏฐานที่เราปฏิบัติกับสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานเนี่ยมันทําไมถึงขัดกันมากอย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกจะเอใจนะครับว่าความรู้ที่เราอบรมอยู่เนี่ย มันเพียงพอหรือที่จะทำให้เราพ้นจากทุกได้ถ้าเป็นเพียงการรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปเท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องของความแปลกใจมานานนะครับว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงจะต้องแสดงธรรมะที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไว้หลายหลากมากนะครับทั้งเรื่องของขันเรื่องของอายตนะเรื่องของธาตุเรื่องของอินทรปติจตสมุปบาทมากมายความจริงแล้วก็เป็นนามธรรมรูปธรรมทาไมจะต้องแสดงมามากมาย ก็เพียงแต่ว่าแสดงว่าเป็นนามเป็นรูปก็พอแต่ว่าแสดงไว้หลากหลายอย่างนี้โดยเฉพาะไปอ่านในวิสุทธิมารญญานิเทศเนะครับภิกสุแต่ละรูปเนี่ยท่านไม่ได้พิจารณาเหมือนกันแต่ละรูปท่านก็พิจารณาโดยขันห้าบ้างอีกรูปนึงพิจารณาโดยอายตนะสิบสอบ้างอีกรูปนึงพิจารณาโดยธาตุบ้างอีกรูปนึงก็พิจารณาโดยอินทรีย์โดยปฏิจจสุบาทต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยแต่ละอัธยาศั ย, ยไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันเลย แต่สิ่งที่จะต้องเหมือนกันก็คือรอบรู้ในธรรมะเหล่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจากการที่เริ่มศึกษาในมหาสุทานเนี่ยนะครับแล้วก็พิจารณาจากคำพยื่อื่นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เรานี้รู้น้อยแล้วก็รู้ทาไมต่างกันกันกบพระไตรปิฎกอะไรเป็นความถูกความผิดกันแน่ก็เริ่มจะรู้สึกเอะใจนะครับภายหลังก็ได้อ่านหนังสือของผู้การด้วยนะครับแล้วก็ฟัง วิทยุนะครับจากท่านสมบัติด้วยก็เริ่มรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มีเหตุผล น, นะครับแล้วก็ตรงกับความรู้สึกของเราก็เลยคิดว่าที่ปฏิบัติแ ล, แล้วมานะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาใหม่ส่วนไหนที่ตรงกับพระไตรบิฎกนะครับเราก็ปฏิบัติตามถวนนั้นแต่ถ้าส่วนไหนที่ไม่ตรงกับพระไตรบิฎกนะครับอันนี้ก็คงจะเก็บเอาไว้ก่อนถ้าใครจะมาสนทนา ด, ด้วย เราก็จะถามเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามีเหตุผลให้เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าสอดคล้องกับพระไตรบิฎกก็จะปฏิบัติตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะมีเหตุผลยืนยันได้ว่าไม่ขัดกับพระไตรบิฎกได้อย่างไรอันนี้ก็คงจะไม่น้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับทุกคนก็ควรจะต้องเป็นตัวของตัวเองโดยที่จะต้องมีปัญญาเป็นของตนเอง แต่ที่จะมีปัญญาได้ก็คือจะต้องศึกษาแล้วการศึกษานี้ก็จะต้องรู้นะคบว่าถ้าเรามีอคติก็คือมีฉันทากตินะครับฉันทากตินี่อะไรครับทราบใช่ไหมครับอคติคือความลำเอียงนะครับลำเอียงด้วยความรักก็ตามลำเอียงด้วยความชังก็ตามลำเอียงด้วยความกลัวหรือว่าด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ แต่ถ้าเกิดเรามีใจเป็นกลางนะครับแล้วก็ยอมรับตัวเองว่าเราไม่รู้แต่ถ้าใครสามารถที่จะอธิบายเหตุผลให้เรารู้ได้ตรงกับพระธรรมวนินัยหรือว่าพระไตรปิฎกเราก็จะยอมรับแต่ว่าก็ต้องศึกษาไปอีกนะครับเพราะว่าความรู้แค่นี้แต่ว่ามีความรู้ที่สูงกว่านี้อีกก็คงจะศึกษาไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะรู้จริงก็ในการานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้นะครับ ก็มีทั้งทั้งปรมาทั้งบัญญัตินี่นะครับก็คงหลายคนแม้แต่ที่นี่ก็ยังมีผู้ที่ยังสงสัยอยู่ว่าทาไมทำไมจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ท่านลองช่วยอธิบายเบนิกส์ทั้งนิ้นะครับเมื่อก่อนก็เข้าใจอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่แสดงไว้นะครับว่าการเจริญสเติปัฏฐานเนี่ยจะต้องมีปรมตทธรรมเป็นอารมณ์ไม่มีที่ไหนแสดง ถ้าใครคิดว่าอย่างนั้นว่าสติปัฏฐานจะต้องมีปรมัตถรรมเป็นอารมณ์เนี่ยช่วยขอที่มานะครับเพราะว่าเวลาที่กิเลสเราเกิดเนี่ยนะครับกิเลสไม่ได้เกิดที่จะมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์เท่านั้นใช่ไหมครับกิเลสเนี่ยมีทั้งบัญญัติและประมัตถ์เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้ารู้บัญญัติแล้วก็สามารถที่จะทําทให้ละกิเลสได้เนี่ยไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ควรหรือเปล่าพระพุทธเจ้าจะแสดง ธรรมะทุกประการเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้ละขัดกลาร์หรือว่าคลายจากอากศุศลไม่ได้แสดงเรื่องของวิปัสสนาอย่างเดียวใช่ไหมครับแสดงเรื่องของศีลแสดงเรื่องของสมถะแม้กุศลขั้นทานกุศลในการที่จะขัดกลากิเลส น, นานาประการสันสนเลขธรรมเนะครับมากมายเลยธรรมะเครื่องขูดเกลากิเลส ท, ทําไมไม่แสดงวิปัสสนาอย่างเดียวก็เพราะเพราะว่ารู้ว่า ปัญญาที่จะเป็นระดับถึงวิปัสนาได้เนี่ยจะต้องมีแรงอุดหนุนหรือว่ามีกําลังซึ่งกุศลขั้นอื่นๆก็จะช่วยเป็นกําลังในการที่จะเป็นเครื่องบ่มทําให้อินทรีย์บริบูรณ์มีศรัทธาเพียงพอหรือยังในการที่จะอบรมปัญญามีวิริยะเพียงพอหรือยังมีสมาธิมีความตั้งมั่นเพียงพอหรือยังมีสติเพียงพอหรือยังถ้ายังเป็นคนที่ฟุ้งซ่านกระสับกระสายหรือว่ามีความยึดมั่นมากๆเลย ปกติก็ไม่ได้ดพิจารณาถึงเรื่องของความไม่เที่ยงความตายต่างๆไม่มีความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมแล้วจะอบรมวิปัสสนาเนี่ยจะอบรมได้อย่างไงครับปัญญาจะมาจากไหนเพราะฉะนั้นกุศลทุกประการที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นเครื่องอบรมทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งเรื่องของทานของศีลนะครับกุศลขั้นอื่นๆเนี่ยจึงจะต้องอบรมควบคู่กันไปด้วยสําหรับเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องของการละวิปัาสโดยตรงนะครับ เราติดในความงดงามนะครับเราคิดว่าปรามัดงามหรือว่าบัญญัติงามล้วที่เราเห็นว่างามเนี่ยบัญญัติงามหรือปรามัดงามครับเพราะว่าเพราะว่าการที่จะเห็นปรมามัดงามยังสงสัยหยุมกันนะครับ น่าจะเป็นบัญญัติงามมากกว่าครับความจริงแล้วไม่ได้แยกหรอกนะครับความจริงแล้วไม่ได้แยกหรอกเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยต้องมีเสียงที่เราจะบอกว่าเพราะเนี่ยนะครับเสียงเพลงเพราะเนี่ยจะต้องมีเสียงใช่ครับแต่ว่าคิดถึงเสียงหรือว่าคิดถึงบัญญัติก็ได้สีเนี่ยตัวจริงๆเขาก็จะต้องมีระดับที่ประนีตกับยากถ้าสีที่ประณีตเนี่ยเราก็บัญญัติว่าเหล่านี้สวยแต่ตัวสีนั้นก็ต้องประณีตด้วยเราถึงจะเรียกว่าสวย แต่ถ้าเกิดเป็นสีที่ไม่ประณีตเราก็บัญญัติเรียกว่าไม่สวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสีนี่ก็ยังมีระดับต่างๆกันปรมัตกับบัญญัติเขาไม่ได้แยกกันอย่างนั้นหรอกครับไม่มีใครที่จะมารู้แต่บัญญัติอย่างเดียวโดยที่ไม่เคยมีปรมัตไปอารมณ์ก่อนหรือว่าจะมีแค่ปรมัตแล้วก็จะไปรู้ว่าสวยแค่นั้นนี่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็รู้ทั้งบัญญัติรู้ทั้งปรมัตแหละการที่จะคลายจากสุภาพวิปราชก็ควรที่จะคลายโดยการรู้ทั้งบัญญัติแล้วก็ปรมัตด้วย นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาอัสุภาษต่างๆพิจารณาความไม่สวยไม่งานต่างเนี่ยก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้คลายจากสุภาพิปราชก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเลือกว่าจะต้องไปรู้ปรมามัดเท่านั้นเพราะว่ากิเลสเกิดก็มีทั้งบัญญัติแล้วก็ปรมัดเป็นอารมณ์พิจารณาอารมณ์ใดๆก็ตามที่ทําให้คลายจากสุภาพิปราชคลายจากนิจจาวิปราชหรือว่าสุขาวิปราชหรือว่าอัตตวิปราชเนี่ยเหมาะสมหรือว่าสมควรทั้งทั้งสิ้นเลย เป็นไปด้วยความเข้าใจเหตุผลด้วยความเข้าใจถูกต้องเนี่ยความจริงแล้วสติปัฏฐานส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าเป็นวิปัสนาอย่างเดียวแต่ว่าความจริงแล้วสติปัฏฐานก็เป็นทั้งสมถะและวิปัสนานะครับซึ่งข้อความก็แสดงไว้ตรงๆเลยว่าอย่างกายานุปัสนาเนี่ยบัพพาไหนเป็นสมถะด้วยเป็นวิปัสนาด้วยบัพพาไหนเป็นวิปัสนาล้ ว, ลวนก็แสดงไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมถะภาวนาก็มีบรรัญญัติเปอารมณ์ ถ้าบอกว่าสติวัฏฐานมีปรมัตเป็นอารมณ์อย่างเดียวก็ขัดกับพระตรัยบิดกท่านจะมีความเพีงแ้มไครับเช่นปฏิปรุปรุณมรสิการบัพะอย่างนี้ใช่หครับหรือป่าช้าก้าวนี่ใช่หครับที่ที่จเจริญแล้วทำให้ละสุะ ว, วิปรรา萨ได้โดยตรงเลยใช่หครับแล้วก็จตุวัฏจตุธาตุ ว, วัฐานนี่นะครับอันนี้ละ สุภาวิปลาดยังไงยังยังอยากจะได้รับคําอธิบายหน่อยครับถ้าป่าช้าก้าวก็ดีหรือว่าปฏิกรรมนาสิการบัพานีน ะ, จะเจริญแล้วละสุภาพสัญญาอาสุภาพวิปลาดได้นี่นะอันนี้อันนี้เห็นตรงๆอยู่ควาจริงในสตวิวฐานจตุธาตุวัฏฐานนี้จะเป็นวิปัสนาไม่ใช่เลยครับเพราะว่าจตุธาตุวัฏฐานเนี่ยในสมถะภาวนาเนี่ยท่านก็มีแสดง แต่ถ้าพิจารณาโดยความเป็นาธาตุนะครับโดยความเป็นาธาตุเพื่อคลายจากอตตะวิปลาดเนี่ยนั้นก็จะเป็นวิปัสนาแต่ว่าโดยในของสมถะก็แสดงนะครับในจตุธาตุฐานคำคำว่าสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะมันเป็นธรรมะที่เป็นคู่กันอยู่แล้วใช่เป็นธรรมะ น, น, นะธรรมะหนึ่งที่ควรเจริญคือ กายคตาสติที่สหรคตด้วยความสําราญธรรมะสองที่ควรเจริญก็คือสมถะกับวิปัสนาทีนี้สมถะนี้จุดประสงค์เพื่อละละตราคะหรือละตันหามิปัสนาก็เพื่อละอวิชชาที่ในวัตถุนั้นเนี่ยเรามีทั้งตันหาด้วยมีทั้งอวิชชาด้วยแล้วเกี่ยงทําไม เกนะี่ยงที่ที่จะเจริญในอย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยนะไม่ควรเกี่ยงว่าอันนั้นเป็นสมถะนี่เป็นวิปัสนาเพราะว่าองค์ธรรมของสมถนะนะ ถ, ถ้ากล่าวตามมากักมีองค์แปดเนี่ยนะสมถะนี่มีองค์ธรรมอยู่หกตัววิปัสนามีองค์ธรรมสองคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นเป็นวิปัสนาที่เหลือเป็นถือว่าเป็นสมถะหมดเลยเนี่ยนะเมื่อ ธรรมะเหล่านี้ที่จะต้องเจริญควบคู่กันไปยอ่ะทำยังไงที่จะเจริญกุศลธรรมนี้ให้เกิดขึ้นได้อันนั้นเป็นประเด็นที่ที่ควรตั้งเอาไว้เนี่ยนะว่าทําอย่างไรหนอจะเจริญสัมมาทิฏฐิที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อะไปเพื่อการฉะเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยคือทั้ง8ดเลย ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธาเนอมไปเพื่อการสละนะคือทั้งสละทั้งวิปปะธาทั้งหลายในอุปาทานขันห้าอันนั้นเป็นเป็นจุดมุ่งหมายเนี่ยนะที่ที่สําคัญเพราะนนั้ทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะเป็นธรรมะที่จเจริญควบคู่กันไปเมื่อจเจริญควบคู่กันไปแล้วในสิ่งนั้นเนะี่ยอย่างเช่นกายานุปัสนาเนี่ยนะนะทั้ง14บัพเพ็เนะี่ยมีอะไรพ้นจากร่างกายไหม ไม่มีพ้นก็คือเอาเรื่องร่างกายนี้มาจำแนกโดยประการต่างๆถ้าเรามองโดยลำดับนะไม่เอาข้อความตอนท้ายของสติปัฏฐานของของกายานุปัสสนาก็คือพูดลมหายใจเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดก็คือการพิจารณาชีวิตในแง่มุมต่างๆเนี่ยนะเช่นอย่างเห็นเกันอยู่ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยลมหายใจเนี่ยนะอาหารก็จะว่าด้วยอาหารก็แต่ว่ามันไม่เห็นชัดเหมือนกับ ลมใช่ไหมถ้าถ้าถ้าลองขาดลมดูนะตอนนี้ถ้าไม่มีลมหายใจอยู่เลยชีวิตคือรูปประกายอันนี้ก็ดํารงอยู่ไม่ได้ทีนี้ไอ้ลมอันนี้เนี่ยที่ที่หายใจเนี่ยร่างกายที่ทรงไว้ซึ่งการหายใจเข้าหายใจออกนี่อยู่อิริยาบถไหนก็ยืนเดินนั่งนอนทีนี้ยืนเดินนั่งนอนมันก็มีการไปการมาการแลการเหลียวการคู่การเยียดเนี่ยนะการนุ่งการห่มการกินดื่มเคี้ยวลิ้มการขับถ่ายอุจจาระตลอดจนถึงหลับ นอนตื่นพูดนิ่งเล็กน้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็ประกอบด้วยทีนี้ถ้าไอ้ร่างกายอันนั้นก็พอมาแยกแยกก็เป็นองค์ประกอบต่างๆประกอบไปด้วยผ ม, นนผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังถ้าแยกออกมาก็เป็นธาตุสี่ทีนี้สิ่งเหล่านี้ตายเป็นเมื่อตายเป็นเนี่ยถ้าตายวันสองวันเนี่ยเออันนั้นที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยนะก็ขึ้นอืดจะได้ขึ้นอืดขึ้นเขียวขึ้นพองเป็นต้นถ้าตายสามสี่วันห้าวันเจ็ดวัน ก็พามาตั้งหลายคนนะไม่ใช่หรอในห้องเราเนะี่ยตังเกตุดาผ่านมือมากี่เจ้าแล้วชั้แหละมาเยอะแล้วเนี่ยนะเพื่นก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นโดยประการต่างๆในที่สุดนะคือไปส่งที่ป่าช้าแล้วเอากระดูกมามาเก็บอันนี้คือชีวิตในหนึ่งในหนึ่งภบทีนี้การเจริญหรือการพิจารณาเนี่ยอันนี้สติปัฏฐานสูตรถามว่าธรรมะที่อื่นๆเนี่ยเท่ากับแสดงสติปัฏฐานสูตรไหม อนมามะตักข้าสั่งยุศพระองค์ตรัสบอกว่ากระดูกกับหนึ่งเนี่ยมากกว่าเขาวิปุละบรรพศนี้พิจารณาไม่ใช่หยุดอยู่แก่การพิจารณากายอันนี้อันเดียวกายแม้ในอดีตที่ที่เนี่ยมีข้อความในอัตกถาท่านตั้งคําถามว่าควรไหมที่จะไปดูเขาพระภิกษุควรไปดูเขาไหมควรไปดูน้ําทะเลไหมท่านบอกว่าสมควรเพราะว่าเวลาไปดูเขาก็จะได้น้อมพิจารณาถึงกระดูกหนึ่งกับเนี่ยกองเท่ากับเขาเหมือนกัน หรือ ว, ว่าควรไม่ไปดูน้ําทะเลจะได้พิจารณาธาตุน้ําเนี่ยนะน้ำตาที่เสียไปน้ําเลือดที่เสียไปแม้กระทั่งน้นํานมที่ดื่มกินเนี่ยพอๆกับน้ําทะเลมหาสมุทรนี่นะแต่ก็ควรเนี่ยนะควรที่แล้วการพิจารณาเนี่ยจนให้คู่ควรแก่การเบื่อหน่ายไอ้ทีนี้การพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยคงไม่ได้หยุดอยู่นะตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเราปรารถนาหรือการพิจารณาทั้งหลายเนี่ยทุกคนก็ตั้งความปรารถนาเพื่ออะไรต้องการหยุดอยู่แค่การเจริญนี่ใช่ไหมสูงสุดแล้วฉันจะมาอยู่แค่การเจริญชีวิตนี้ถ้าเจริญได้ก็ถือว่าพอใจแล้วไม่หยุดอยู่ใช่ไหมถึงไหนต้องการถึงไหนก็ยอยาแหมการทำเป็นสันโดษจริงแล้วไม่ได้ต้องการแค่นั้นนี <c oughs> แต่อยู่แค่นั้นก็ไอ้ยัเต็มที่ เือว่าตรงๆเลยนะแบบไม่นี้ก็ใบสุดท้ายต้องการก็บรรุนั่นะแหละอย่างน้อยก็สักมักสองมักไปน่ะนะ <c oughs> โซดาปฏิมักส ก, กะทาก็ว่ากันไป <c oughs> นยังไมก่กล้าพูดนะกล้าพูดในใจนะวิตรักกะเกิดในใจได้แต่ว่าบอกคนอื่นเดี๋ยวก็จะขมเอาน <c oughs> ก็ <c oughs> ทุกคนก็มีอัธยาศัยเดียวกันนั่นแหละมันนั่งตรงนี้นะทําไมคิดอย่างงี้ไม่มาก็นลอกทีนี้เมื่อ ทุกคนเนี่ยสมมติว่าปรารถนาบรรลุไอสิ่งที่บรรลุมันคืออะไรก็อริยสัจใช่ไหมอริยสัจเนี่ยปกมีหนึ่งทุกสองส ม, มุมทยัยสามนิโรธสี่ 4, มรรคเราต้องการปรารถนาจะรู้ทุกอาหะอริยสัจอยู่ตําแหน่งเดียวเท่านั้นหรือหรือว่าผู้ที่บรรลุ อ, อริยสัจเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเกิดเป็นทุกแก่เป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกข ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลาดพลาดเป็นทุกข์ความลําบากกายเป็นทุกข์ความลําบากใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์เนี่ยนะเขาไม่รู้เลยหรือเขาก็รู้จริงๆอะ่ะเกิดไปจนถึงตายเนี่ยก็คือตลอดสายแห่งชีวิตเพราะผู้ที่แทงตลอดอริยสัจหรือบรรลุ ธ, ธรรมอะ่ะคือคนที่มองชีวิตอย่างตลอดสายใช่ไหมจนมาแยกแยะชีวิตออกถ้าแยกแยะชีวิตทั้งมวลในแง่ของรูปประคันเรียกว่า กายานุปัสสนาเนี่ยนะทีนี้ถ้าพูดรูปรูปเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกเนี่ยนะที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยนะในทาวาร6เนี่ยรูปเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกก็มาแสดงเวทนาต่อไปอีกถ้าแล้วไอ้ความรู้สึกก็เกิดร่วมกับสัญญาเนี่ยนะเจตนาก็ปรุงแต่งเพราะอาศัยสัญญาแล้วก็ทั้งหมดที่รองรับคือจิตจิตก็คือขันธ์ห้า อารยสัตว์นี้มีผู้ใดผู้หนึ่งบรรลุโดยที่รู้ขันเดียวเนี่ยมีไหมไม่มียังไงก็ต้องรู้ขันทั้งห้าแต่รู้มากรู้น้อยรู้ละเอียดอีกเรื่องหนึ่งพระสาวกทั้งหลายโดยมากท่านรู้เอกเทศเช่นท่านรู้เรื่องของชีวิตของท่านเนี่ยนะเพราะว่าทุกที่เราต้องการดับเนี่ยสมมติว่าของมาเนี่ยทุกเหลือเกินต้องการจะไปดับทุกคุณบุญชูหรืออย่างเงี้ยนะใช่ไหมคุณบุญชูปฏิบัติจะได้ดับทุกเพื่อนบ้านใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องการอย่างน้อยที่สุดก็ต้องการดับทุกอันนี้แล้วทุกอันนี้มีอะไรเป็นแดนเกิดเนี่ยนะทุกอันนี้คืออุปาทานขันห้ามีอะไรเป็นแดนเกิดก็ของเก่าเลยก็ตันหาเป็นเครื่องผูกเอาไว้เนะและอะไรอวิชาเป็นเครื่องบอกปิดตันหาเป็นเครื่องกั้นอวิชาอ่อวิชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกร้อยรัดมัดเอาไว้ ขันที่แล้วเนี่ยขันอันนี้จึงเกิดขึ้น